พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่ายึดครูอาจารย์เป็นแบบอย่างขออนุญาต บวรน า, าครับคณะสัตายาญาติโยมจากวัดป่าหนองหัวหมูอำเภอเมืองอุดรธานีวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมวัดป่าชิตานุสนร์อำเภอศรีเชียงใหม่วัดป่าหนองแสงอำเภอสังคมวัดนโนนสว่างอำเภอสังคมวัดป่านาขามอำเภอสังคมวัดป่าน้ำตกสามเทพอำเภอน้มโสมวัดพระสมาคมอำเภอพิบูลลักษณ์ วัดรรมผางูอำเภอสังคมวัดป่าเทพมงคลอำเภอนาด้วงและวัดป่าภูหลักหมื่นอำเภอสังคมมีกิจศรัทธาร่วมกันบริจาคปัจจัยน้อมถวายหลวงตามีมูลค่า 18,649 บาทครับอาวุศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนน้องหนุ่งทั้งหลาย นั่นทีปีหวนพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมาเมื่อมาพบมาเจอกันแล้วก็หลวงพ่อในฐานะที่เป็นพระครูบาจารย์ที่อาวุโสนะก็จะได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าแนะแนวทางแนะแนวสำหรับพวกเราลูกหลานทั้งหลาย ผู้ที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะรู้แล้วนะอาจจะดีรู้กว่าลุงพ่อเอง ก, ก็ได้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้ก็มีอยู่เราจะไปเหมาทีเดีย ว, ว่ารู้หมดคงจะไม่ใช่อย่างนั้นในหลักธรรมคำสอนท่านบอกว่าผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะได้ยินได้ฟังแล้วนะแต่ว่า เราฟังหลายครั้งตัวหลายหนก็ว่าผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังใจของผู้ฟังพวกเราได้ยินได้ฟังหลักเหตุผลใจของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟัง ่ละอันนี้คืออานนิสงแห่งการฟัง่ะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันหนึง่งที่ได้มาพบมาเจอมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอะไรก็จะได้พูดปรับลบอะไรให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดพฤศจิวันที่สิบเอ็ด สิงหาคมพุทธศักราช2559แล้วก็วันนี้วันพุ่งนี้เป็นวัน เ, เกิดแล้วว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระบรมราชินีถือว่าเป็นวันสำคัญวันพุ่งนี้แล้วคณะสัทยา ญ, ญาติโยมทุกคนควรจะประกอบคุณงามความดีพระสงฆ์ของพวกเราก็เหมือนกันนะะั่นะพวกเรายุดใต้ รมพระปริมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์พวกเราควรจะแสดงออกถึงซึ่ ง, งถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาและพวกเราศึกษาดูในพระไตรปิฎกกษัตริย์กับพระพุทธศาสนาคู่กันมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์พระพุทธองค์เสด็จไปประทรับอยู่ที่ไหนถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก ก็เนี่ยแหละพระพุทธผ้ามหากษัตริย์นคุ้มครองพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอประเทศไทยก็ถ้าว่าไม่มีพระมหากษัตริย์คุ้มครองล่ะจะเป็นยังไงอย่างประเทศอินเดียก็พอช่วงหลังๆก็ทําให้บริหารจัดการทําให้พุทธศาสนาหมดไปจากประเทศอินเดีย ก็นี่แหละก็คือพระมาหากษัตริย์เพผ่ะนั้นพระมาหากษัตริย์กับพุทธศาสนาคู่กันมาเพผ่ะนั้นถึงวันอย่างนี้โลกสมมุติอย่างนี้พวกเราพระเนเนลูกหลานน้องนงทั้งหลายควรจะแสดงออกซึ่งความกตัญจูแล้วก็มีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล อันนี้ก็เป็นเครื่องอเป็นเรื่องที่ดีหลวงพอ่อวานะอันนี้ก็คือในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระที่มีอายุพรรษากว่าน้องนุ่งทั้งหลายก็ควรจะบอกกล่าวให้พวกเราพระลูกหลานทั้งหลายถือเป็นแนวทางและถือเป็นแนวปฏิบัติส่วนเนื่องและก็พร้อมกันอย่างวันพรุ่งนี่แหละ เป็นวันเกิดขององค์หลวงตามหาบัวถึงท่านจะจตุนิราานไปแล้วแต่พวกเราในธนะลูกหลานแต่รักพระธรรมคาสอนขององค์ท่านแต่หลวงพ่อก็คงจะเข้าไปไปกราบเคารพคารวะนําดอกไม้ถันขันดอกไม้ไปเคารพสักดระตามขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าว่าพวกเรากราบเคารพที่วัดใดไม่ก็ได้ กราบที่ไหนก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าหาว่าถูกกับโลกสมมติเา้าเราอยู่ในโลกสมมติเราก็ขอไปกราบแสดงออกซึ่งน้ำใจคนทั้งหลายก็จะได้รู้ได้เห็นว่าการเข้าไปกราบครูบายอาจารย์ถ้าหาว่าเราได้ประมาทพลาดพลัง้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและลับหลังขอโปรดอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายด้วย อันนี้ก็คขึ้นเป็นการแสดงออกซึ่งนับใจสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในโลกสมมติเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับโลกสมมติเขาบ้างแต่ไม่ใช่จะขวางหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้จะตามหมดทุกอย่างถ้าเราตามหมดทุกอย่างเราตามโลกเกินไปเราไม่มองธรรมเสยียเลยก็ไม่ได้เราต้องมองธรรมเอาธรรมเข้ามาวัดบางอย่างแล้วก็ต้องมองโลกเป็นบางอย่าง ถ้าว่าเรามองแต่ทำอย่างเดียวเราอยู่กับโลกเขาลําบากเราไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขกับอยู่ในโลกสมมุติบ้างก็อยู่ในโลกกับเขาอยู่กับเขาลําบากเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปูวงนั้นสรุปแล้วก็คือในหลักของพุทธศาสนาที่ว่าการสถานที่บุคคลการละเทสะบุคคลนสิ่งเหล่านี้คือให้ใช้ปัญญาสรุปแล้วเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับ พระเนนน้องหลวงทั้งหลายพี่น้องประชาชนทุกหมเหล่าและก็พร้อมกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช พ, พุทธศักราช25พน้าห้าสิเ้าเ่พวกเราได้มองดูตรวจตราดูตนเองบ้างไหมข้าพเจ้าเกิดมาอายุถึงขนาดนี้แล้วคุณงามความดีอะไรบ้างเป็นที่อุ่นใจสำหรับเราหรือว่ามัน วันคืนเดือ น, ป, นปีผ่านไปผ่านไปพวกเราไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมจริยธรรมอะไรเลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทกท่านนะอย่างน้อยก็ให้มีทานมีศีลมีภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะสรุปแล้วคือให้เป็นคนดีนั่นแหละคิดดีทำดีพูดดีก่อนที่จะบคิดดีทาดีพูดดีมันกว้างนะแต่คิดดีนะทำยังไงคิด ใฝ่ในการกุศลคิดประกอบคุณงามความดีคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดประกอบอสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจทำดีก็คือให้มีศีลห้ า, าให้มีศีลห้านะทำดีหรือว่าให้มีทานามีการเสียสละมีทานทึ่จะมากหรือจะน้อยอถ้าไม่มีเฉลยไม่ดีถ้าหากว่ามีมากถ้ามีมากก็ดีอย่างพระเนี่ย ท่านมีมากนะพระพ อ, อะไรจังว่ามีมากเพราะว่าท่านเสียสละเลย เ, เสียสละออกมาบวชถ้าหาว่าท่านอยู่เป็นฆราวาสท่านต้องมีครอบครัวมีต้องมีทีท่ไร่ที่นาที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนกับฆราวาสทั่วไปแต่นี้มาท่านเสียสละทุกอย่างเลยไม่เอาละฆราวาสเราจะเป็นนักพรตนักบวชมีผ้าไรมีผ้ามีบาทและจีวร นี่แหละพระที่เป็นผู้เสียสละอันนี้คือฐานะของพระแต่ถ้าเราทำขนาดที่ไม่ไดเ้เราก็ทำขนาดใดขนาดหนึ่งถ้าเห็นพระสงฆ์ผานหน้าบ้านของเราอย่างน้อยก็ทำบุญตักบาตรใส่บาตรพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติของพวกเราไปนานทีเดียวถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอันนี้สงทานไม่มี คนนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาค้าขายการดำเนินชีวิตของตนเองจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อะไรเพราะอ น, นิสงสานไม่มีเพราะนั้นเรื่องทานเราอย่าไปมองข้ามการเสียสละแต่ว่าพวกเรามีคนที่มีทานมีทานะจะไปในสถานที่ใดในชุมชนกลุ่มใดเขาเคอยน้อมรับยอมรับว่าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ทำคุนุปการให้กับ ประเทศชาติเรือบ้านของเขากลุ่มของเขาในชุมชนของเขาเขาน้อมรับเขยอมรับเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้เสียเสียสละท่าเรามีพอที่จะเสียสละได้นะไม่ใช่ว่าเราทําเกิน ต, ตัวนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าว่าเราจะไม่มีอยู่มีกินอยู่แล้วเราทําไปอันนั้นไม่ถูกหรือว่าทำเกินตัวไปจนไทยตนเองเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ถูก เพราะนั่นให้รู้จักประมาณในการทำาแต่าว่าพวกเราไม่ทำเสรยอันนั้นไม่ถูกนะถ้าทำเกินตัวไปก็ไม่ถูกถ้าทำเกินตัวไปได้ออพอทำเสร็จแล้วให้ออกมาบวชเป็นนักพรตนักบวชเข้าป่ารงผงภัยหรือถื อ, ถอเพศนักบวชย่างพระเนี่ยเลิศประเสริฐเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างท่านเป็นพระมหากษัตริย์มีราช ส, สมบัติมีมากมาย แต่พราะองค์เสียสละออกไปอยู่ในป่ารงพงไพตามลำพังได้บาทและกบินทบาทมาชันอันนั้นเป็นผู้เสียสละเลิศแต่พวกเราทำได้อย่างนั้นดีแต่ถ้าวัาทำไม่ได้ขนาดนั้นก็แต่เป็นผู้มีจิตใจเสียสละการทำบุญทำทาน เ, าเห็นพระสงฆ์มาอา้าวทำบุญตักบาทนี่เป็นต้นเท่านี้ก็เป็นอาณสง์ติดภพติดชาติของเรา เพราะเป็นผู้มีเสียสละอันนี้คือฐานะเรื่องศีลเรื่องศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อย เ, อเราไม่คิดฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราเราฆ่าเขา เ, เรื่องการฆ่าคนอื่นคนอื่นมาฆ่าเราใจเขาใจเราไปขโมยคนอื่นเขาเขามาขาโมยของเรา เราไปประพฤติผิดในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาเขามาทำให้กับเราเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาทำให้กับเราเมื่อเราดื่มสุราเข้าไปและขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะขาดสติดีไหมสิ่งเหล่านี้ให้สํารวมกายของของเราวาจาของเราวาจาคือไม่พูดเท็จพูดซอเสียดพูดคาหยาบ พูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็คืออยู่ในศี่ห้าข้อที่สี่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตายาธิยมอันนี้แหะคือพวกเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาแล้วควรจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยควรจะสร้างบุญขั้งสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะตถาญาติโยมนะเพราะเหตุใดเพราะหลักของพุทธศาสน า, าท่านบอกท่านกล่าวท่านสอนไว้แล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอไม่เป็นอย่างอื่นาตายแล้วเกิดแต่ว่าเกิดเป็นอะไรแต่สุดแทลตกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกัน กรรมนั่นแหละเป็นผู้จำแนกถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะพาไปสู่สุคติคือไปในทางที่ดีถ้าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีกรรมชั่วก็จะพาไปหาความชั่วที่ตนเองทำไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วเมื่อท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในเวลาถึเที่ยงคืน ว่าจุปะปะปะตูปปาตยานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ เ, เกิดมาจากไหนมาจากไหนมาเกิดที่นี่ทําไมมาเกิดแล้วไม่เหมือนกันบางทีก็บางคนก็ฉลาดบางคนก็ร่ํารวยบางคนก็สวยงามบางคนก็ขี้ร้ายขี้เลวหูนหนวกตาบอดเกิดเป็นคนเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ค้นคว้าศึกษา เมื่อท่านไดยานัทไดยานัทสนาได้ฌานท่านก็มองดูและแต่ละดวงวิญญาณทำไมแต่ละคนแต่ละดวงวิญญาณมันไม่เหมือนกันเมื่อพระองค์มองดูตรวจตราดูทุกดวงวิญญาณแล้วพระองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําไม่เหมือนกันการคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อทํากรรมลงไปแล้ว กรรมตัวนั้นละให้ผลเรามาจึงได้สเสวยผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตนะในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วนะเราได้หยึกศึกษาแล้วทีนีว่าการกระทำหรือ ก, กรรมคือการกระทำจุดนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพวกเราให้ทำพยายามทำแต่กรรมดีที่นี่กรรมชั่วอย่าทำเถอะ ให้ลดละเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในการทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนคนที่หูหนวกตาบอดบ้าใบ เ, เสียจริตเพราะเหตุไหไรเพราะในอดีตชาติเขาทํากรรมชั่วนะั่นแหละเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าถ้ากรรมชั่วให้ผลเป็นอย่างไรกรรมดีให้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราทําพยายามทํากรรมดี สร้างบุญสร้างกุศลพวกเรานับววาโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ได้พบพระสงฆ์และพวกเรานึกตรวจตราดูสิว่าพวกเราเดือดร้อนอะไรัหมที่พวกเราได้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีแต่ความสุข ก, กายสุขใจลึกๆในจิตในใจของพวกเราการทํามาหาเลี้ยงชีพของเราเราก็ไม่แพ้เหงื่อนคนอื่นเขาเพราะอะไรถ้าเรานึกดูซิ ในต่างชาติต่างภาษาเขารวยจริงอยู่ที่เขามาบ้านเราเมืองเราแต่คนที่อยากจนในเมืองเขาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เราเอาเถอะถึงเราจะไม่มั่งมีสีสุขไม่ร่ำรวยแต่เรามีอยู่มีกินตามอัตภาพ เ, ออเราก็ได้ประกอบคุณงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลขนาดนี้เราก็น่าจะภาคภูมิใจในการเป็นอยู่เอาเถอถ้าว่าพวกเราสั่ง ได้สั่งสมคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลตามหลักแนวแถวของพุทธะเราจะไปเกิดนิสสถานที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราเทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของเราแล้วของเราแล้วนะแต่ถ้าว่าเราไม่มีบุญนะ เ, เลือกไม่ได้นะหลู ก, กลาณ น, นะคณสัตยทายะสัตาย า, า, าิาาาจโยมนะเลือกเกิดไม่ได้ถ้าคนไม่มีบุญนะถ้าคนมีบุญแล้ว เลือกเกิดได้เหมือนกับคนมีเงินลักษณะอย่างนั้นนะถ้าคนมีเงินเลือกซื้อสิ่งของได้เราจะซื้อสิ่งของประเภทไหนราคาแพงขนาดไหนเรามีเงิน เ, เราซื้อได้ทั้งนั้นแต่เราถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปเลือกซื้อสิ่งของได้ยังไงเพราะเราไม่มีเงินนี่ก็เหมือนกันคนมีบุญคนมีบุญมีกุศลไ ป, ไปเลือกเกิดได้ไปเกิดในสถานที่ใดไปเลือกเกิดเนื่องจากบุญกุศลก็จะให้ เือคุณหนุนพวกเรามีแต่ความสุขในการในสถานที่เกิดแล้วนั้นเนี่ยนะบุญบุญนำสุขมาให้เียว่าปุญญานิปรลโลกัตมิงปฏิทาโหนตีปานิน่งบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งโลกนี้คนมีบุญไปในสถานที่ใดคนก็ยกย่องนับถือเชิดชูบูชาเพราะเหไรเพราะคนมีบุญแล้วก็คนมีน้าใจ คนมีเมตตาไปที่ไหนมีแต่คยช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละคนไปที่ไหนคนก็ยอมรับถ้าคนไม่ดีคนไม่ดีไปพวกเราเห็นไหม เ, เพราะว่านักเลงหัวไม้จะเข้ามาในทินของพวกเราแล้วนะ เ, เขาก็เตรียมอจัตตราอาวุธไว้คอยต้อนรับแหละ เ, เพราะเข า, าไม่ไว้ใจเพราะอะไรเพราะคนเลวคนชั่วเข้ามาในทินฐาน ในกลุ่มของพวกเราเนะี่ยนี่แหละถ้าคนชั่วกับคนดีมันมันต่างกันอย่างนั้นละ่นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้คือสําหรับศรัทธาญาติโยมนะสำหรับพระที่เป็นพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาเป็นผู้เสียสละนะทุกอย่างแล้วผ้าก็เนะี่ยผ้ากาสาวะเป็นผ้าสีเดียวหลังสีสาก็ปองผมอีกต่างหากไม่มีการตกแต่งนะอยู่แบบ สมถตนยิสมมะณะเป็นผู้ตัดออกจากทางโลกแล้วเป็นสากกยะบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งณพระลูกพระหลานอย่าไปส่งออ ก, กจิตใจออกไปข้างนอกให้อยู่ในศีลในธรรมให้ตัวตาดูในอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันไหนคือหลักพระธรรมวินัยให้ศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยจะร่มเย็นเป็นฉุกนะพระลูกพระหลาน แต่ถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ถูกทําตนออกนอกลูก่นอกทางจะเดือดร้อนใจของเรานะจะเหลือดร้อนก่อนจากนั้นขอศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ติฉินเนรทาเข้ามาเราก็หาความสุขกายสุขใจไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจอยู่ในศีลศีลและวินยัย ถ้าเราเร า, เรารักษาศีลดีแล้วอยู่ในวินัยแล้วเราอยู่ในสถานที่ใดจะร่มเย็นเป็นสุขเรื่องปัจจัยศีไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดไม่ต้องนั่นแหละขอข้อสำคัญให้เราเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็จะเห็นคอสําคัญให้พวกเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ มีแต่ความสุขความสุขความเจริญจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถึงใครจะไม่รู้เรารู้แก่ใจของเร า, เ, าเราปฏิบัติตนอย่างไรเรามีศีลอย่างไงมีสมาธิอย่างไงมีปัญญาอย่างไงเราถอดถอนกิเลสภายในใจของเราอย่างไรเดี๋ยวนี้ใจของเราอยู่ในระดับไหน เ, เรารู้แก่ใจของเราอีกต่างหากนะในเมื่อเร า, เาปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาของอ พระพุทธเจ้าตามพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วยนะใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นฉุกนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงพระใหม่ที่บวชเข้ามาเพื่อศึกษาหลวงตาเองหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะลูกหลานอย่างน้อยให้จิตใจเข้าสู่สมาธิให้ได้ถึงพวกเราจะเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่าพวกเราเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาต้นมะม่วงพูดง่ายๆนะแต่พวกเรายังไม่ได้ริมรสผลมะม่วงมะม่วงที่สุกหวานเรายังไม่ได้เคยชิมนี่แหละมีแต่เขาเราเข้ามาอยู่ถ้าเราวางตัวถูกนะเท่ามาบวชพุทธศาสนาการบวชเข้ามาเนี่ยอยู่ในร่มเงาพุทธปพุทธศาสนาก็ร่มเย็นอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าว่าพวกเราได้ริ้มรถผลมะม่วงนั่นแหละจะเลิศไปเสิร์ตกว่าผลมะม่วงคืออะไรก็คื อ, ค อ, คอสมาธินี่แหละสมาธินี่คือรถของศีลธรรมเมื่อเราได้รับภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเน่งมีความสุขใจอันนี้แล้ววัดนัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนั้นแะคือรถแห่งพระธรรมแต่อันนี้เราเข้ามาร่มม า, มาอยู่ในร่มของพระธรรมคือภาคกาสาวะเป็นผู้มีศีลอยู่ในระดับหนึ่งเราไม่คิดฆ่าคนอื่นคนอื่นไม่คิดฆ่าเราเรามีแต่เมตตาเขาก็เมตตาอยู่ในเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มในหมู่ในคณะเรา แต่ถ้าเราภาวนาทำจิตใจให้สงบมั น, นเลิบประเสริฐกว่านะั้นลูกหลานนะและจะทำยังไงที่จะทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านแนะนำท่านสั่งสอนท่านบอกกล่าวท่านบอกว่าการภาวนานะอย่าไปเพ่งอย่างอื่นเอาพุโทโธท่านะยึดพุดโทโธเป็นหลัก ท่านให้ภาวนาพุโทโธนะสายหลวงปู่มั่นของเราแต่เราจะทําถ้าเราเ อ, อตามไม่จริงหลวงพ่อว่าน่าจะฝึกนะเ อ, อแต่ตามไม่จริงภาวนาอย่างอื่นก็ไม่ผิดหรอกกรรมฐานสี่สิบอย่างนะมีมากมายแตถ่ถ้าเรามาศึกษาในแนวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นเราแล้วนะเราก็ควรจะยึดแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นเพราะต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรา เป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พูดเต็มปากเต็มคำว่าเราได้ศึกษาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเราภาวนาแบบพุทโธตามแนวหลวงปู่มั่น <_ d iam onds> เราจะได้สอนบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมน้องนุ่งต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเราจับตรงนั้นบังจับตรงนี้เอาไปมาหรือหากฎเกณฑ์ไม่ได้ใครเข้ามาศึกษากับพูด <_ c oughs> ไม่รู้เอาจดเนเป็นหลัก ผลที่สุกเลยพูดเข้ามาศึกษาก็เลยหาหลักไม่ได้กับเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระเนนลูกหลานทุกองค์การภาวนาน เ, เวลาเดินจงกรม เ, เราไปอยู่สุดท้าทางข้า ง, างทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังทโฆ ส, ส, ส, สามจบ อย่ากนั้นเอามือลงเอามือไขว้ไปทั้งหน้าอยู่ในระหว่างท้องให้ประสานกันถ้าว่าเราหงายมือขึ้นมากับมือมือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ล่างแต่ถ้าว่าเราประสานกันกับมือขวาอยู่ข้างในมือซ้ายอยู่ข้างนอกนะจากนั้นก็เราก้าวขาขวาพุธขาซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินอันนี้คือเดินจงกรม เราไม่ต้องเคอะเขินเราไม่ต้องอายใครอันนี้คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนครูบาอาจารย์พระเถระเป็นระดับระดับมาองค์หลวงตาพอดีหลวงปู่ลากพอดีครูบาอาจารย์ทุกองค์นั่นที่เข้าไปศึกษาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแบบเดียวกันอันนี้ก็คือการเดินจงกรมท่านไม่ให้เอามือควายหลังท่านว่าไม่เอามือควายหลังขาดความเคารพ ออถ้าไกวแขนก็เหมือนกับเดินทตามปกติธรรมดาเกินไปถ้าเอามื อ, อกอดอกท่านว่าเหมือนลักษณะคนมีทุกข์ในจิตในใจไม่ใชเ่เรื่องของสมณะผู้ลำมีความลำพึงลำพึงคือเป็นการคุ้นคิดคือการคุ้นคิดที่เอามือประสานไว้ที่ท้องแล้วก็เดินขาขวาพุทขาซ้ายโถเดิน คลๆว่าเดินหาสิ่งใดสิ่หนึ่งค้นคว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง, น ง, ง, นงในจิตใจเดินคือเว่าเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุโทโธพุโทโธพุทธโธถ้าว่ามันยังเผลอมันทางไพลมันยังจิตส่งออกไปข้างนอกให้กําหนดให้กําหนดดูร่างกายของเราเป็นกระดูกก็ได้ให้เหมือนกระดูกเดินไม่ให้มีเนื้อมีหนังเราไปเห็นกระดูกที่ไหนเขาแขวนไว้เราก่อนกำหนด ในร่างกายของเราให้เห็นเป็นกระดูกกระดูกเดินช่วงสร้างท่วงสร้า ง, ง, ง, งไปเลยดูกระดูก อ, อันนี้คล้ายๆว่าให้ให้ดูว่าร่างกายของเราเป็นกระดูกอย่างนั้นจริงไหมมันก็จริงนี่แหละวิธีการภาวนามีหลายมีมากหลากหลายอันนี้คือเดินจงกรมจากนั้นเมื่อเดินเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็ขึ้นมาจากทางเดินจงกรมก็ขึ้นมา หาที่พักล้างเท้าให้เรียบร้อยเช็ตให้เรียบร้อยปูอาสนะจานั้นก็กราบพระซะก่อนนะไหวพระซะก่อนพูดโธรทำโมสังโก阿拉หังสวาคาโตจะย่อก็ได้จากนั้นก็ขัดสมาธิเลยแต่แตาไม่จริงน่าจะทําให้ต่อเนื่องนะเมื่อเดินยโยนกลมเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งนั่งให้ต่อเนื่องกับการเดินเพราะว่าการเดินมันการเคลื่อนไหวเฮ่การยกตัวการเคลื่อนไหวของร่างกาย แต่ท่านี้ขึ้นมานั่งใครหามันน่งไม่มีการเคลื่อนไหวบางคงบางคนก็จิตเขา้าจิตใจเข้าสู่ความสงบได้เร็วนะพร ะ, ะเนนลูกหลานนะออพอนั่งขสมาที่ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูพุทโธธรมโสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรมโมสังทโฆส้ทท ม, ม, สสมจบจาระเอามือลง เพาะมือลงที่นี่ขณะที่เราเดินร่างกายเราเคลื่อนไหวเท้าของเราเคลื่อนไหวใช่ไหมเออขาขวาซ้ายขาท้ายขวาขาขวาแต่เมื่อเรานั่งเนี่ยมันไม่ได้กระดุกกระดิกนะมีแต่ลมหายใจเข้าที่เคลื่อนไหวเราก็เอาสติไปจับที่ปลายจมูกนะหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโทไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงไม่ต้อง ไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาตินะในลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่บางท่านบางคนพอฝึกใหม่นะอาจจะจับลมไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเราหายใจแรงๆก็ได้ท่านทดสอบทดลองดูหายใจแรงๆเฟือ่อยกระแทกออกแรงๆเฟือ่อยเฟื่อยเข้าเฟือ่อยออกสักสามสี่ห้าครั้งจากนั้นเราก็ยังค่อยเอาสติจับที่ปลายจมูกที่ลมกระทบที่ไหน เวลาลมหายใจกระทบที่ไหนมันเย็นเชยคือมาพุทเวลาหายใจออกเหมือนกันโทเราจะเห็นได้ใช่ไหมนี่แหละให้กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหาย ใ, ใจออกบริกรรมโทจากนั้นจะให้มันอยู่ทีเดียวมันไม่ไม่อยู่นะพระเนตรพระเนตรลูกหลานทั้งหลายนะจะให้มันอยู่เน่งทีเดียวมันอยู่ไม่ได้แล้ว เ, เป็นธรรมชาติของจิตใจบางคนก็บังคับมันก็อยู่ได้นะ แต่บางคนมันก็ทะเลทรายคิดปุงฟุงฟ้งเอ่อฟุงอาไม่เป็นไรพอฟุ้งเข้าไปกด็ดึงกลับมาอันนี้คือธรรมชาติมันเคยเป็นมาแล้วนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเอ๊ะทาไมผมนั่งแล้วมันมันไม่อยู่ครับหลวงพ่อเนะี่ยเออมันมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะจะให้อยู่เออปรับปรับขึ้นมาทํามาค้าขายเออวันนี้ขึ้นมาเป็นเศรษฐีเลยเนะี่ยมันมันเป็นไปได้ยากเว้นเสียแต่มีทุนเก่าอะทุนเก่าก็คืออะไรคือ อเนกสง์ของเราในอดีตชาติ่ทุนเก่าพอเรานั่งภาวนาก็ไปจิตสงบเลยอันนั้นมีมากต่อมากพระในครั้งพุทธเจ้าพระในพระในครั้งพุทธการอย่างพระอัญญาโกนธัญญาพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเท่านั้นทำมาจักกันเดียวนะได้สําเร็จพระโสดาพออนัตตลัคณะก็ได้สําเร็จเป็นพระหัน์อันนั้นคือท่านมีบุญวาสนาเก่าแต่พวกเราเก่าลูกใหม่เราก็ไม่รู้บุญของเราแต่เอาเถอะ เ, เราก็ไม่รู้เราก็ต้องสร้างใหม่ไปเรื่อยๆ เ, นะ เ, เวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทมันเผลอไปดึงกลับขึ้นมามาหากรรมฐานที่ตัวเองได้กำหนดไวนะดดดด้เนี่ยกพุทโทพุทโทพุทธโจากนั้นจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบสั่นเข้ามาสั่นสั่ น, ส, น, ส, นสั่นเข้ามาจำไ ก, ก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเลย าจากนั้นก็จิตใจกระโ u m ได้เนี่ยแหละเราบวชมาทั้งทีสามเดือนเลยนะถ้าว่าเราจิตใจของเราสงบเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละจาไม่ลืมนะพระลูกพระหลานนะ เ, เมื่อจิตสงบเข้าไปโอ้เราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆว่านถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริง เ, เราเชื่อเราเชื่อ เชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนี่แหละผู้ที่ภาวนาเท่านั้นนะจะทำให้จิตใจมั่นคงเชื่อมั่นในหลักพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะแต่เราสิเรานับถือเรื่องสอย่างอื่นรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ธรรมดากระจิงอยู่แต่มันไม่ไม่มั่นคงไม่แน่นแต่ถ้าว่าจิตใจของเราได้ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสง บ, บแล้ว อันนั้นเหมือนเหมือนกับฝังฝังรากลึกไว้ในจิตในใจจะไม่มีวันลืมเลยเแล้วก็เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานนะบวชมาทั้งทีบวชมาสามเดือนก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปมีก่อการทะเลาะวิวาทกันไม่ดีนะ พระองค์ใดก็ตามพระเก่าก็ตามพระใหม่ก็ตามถ้าเราอยู่ด้วยกัน อ, อ, อ, อมีการบาทหมางกันชกต่อยตีกันอย่างนี้ยมันเป็นแผลในจิตในใจนะพาลูกพาหลานนะถึงจะศึกออกไปแล้วหรือจะไปอยู่ทสถานที่ใดเป็นพระมีอายุพรรษาขึ้นไปมันก็ไม่สบายใจเพราะเราก็ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเออพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ลงตาทั้งพ่อที่พูดให้ฟังให้พระเนนทั้งหลายให้ ลูกหลานทั้งหลายนะให้มีความอดทนมีขันติคือความอดทนมีศีราจารวัดมีความมีการอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักครูบาอาจารย์รักเคารพในหมู่ในคณะมีอะไรก็เมตตาซึ่งกันและกันต่อไปภายภาคหน้าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับมองกันได้ไปหามาหาสู่กันได้รักเมตตากันในเมื่อเราเป็นครวาด ก็อยู่เมื่อศึกออกไปแล้วไปอยู่หนสถานที่ใดเกิดเรียกร้องหากันเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกกันอไม่ดีกว่าหรือนะถ้าเราเป็นอริเป็นศัตรูกันเห็นกันแล้วกันคอมเมนกันทะเลาะบิวาทกันพอเป็นพระต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไปข้างหน้ากันทะเลาะกันไม่ลงเอยกันถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็เข้ากันไม่ได้ไปพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้นี่แหละไม่เป็นผลดีนะ เออขาว่าดีต่อกันดีกว่าฮะเมตตาต่อกันดีกว่ารักกันไว้ดีกว่านี่ยเพรานั้นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์เนออันนี้ก็คือชีวิตของพระในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วคือให้เป็นพระที่ดีอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ใครอยู่วัดไหนก็อนครูบาอาจารย์เป็นผู้เจตนาดีอยู่แล้วเป็นผู้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวพระลูกพระหลาน แล้วให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนันลูกหลานนะมั่นใจจึงได้พูดให้ลูกให้หลานฟังพูดด้วยเจตนาดีอีกตั้งหากนะไม่มีเจตนาหวังอย่างอื่นอยากจะให้ลูกหลานเป็นพระที่ดีเป็นคนที่ดีแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าจะอยู่ในพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าอะไรก็เป็นพระกูบาจารย์ที่ดี เป็นสมบัติของพวธาศาสนาในการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างน้อยก็สอนตนเองนั่นแหละเป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีจัตถาญาติโยมเห็นกัขนบขอนกขลพนับสือเรื่มใส่ศรัทาธาเพราะพุทธศาสนาก็จะได้อยู่นานเท่านานต้องอาศัยพวกเราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นทวดนะท่านคงโร่งรวยไปตามอายุสังขารก็จะมาถึงรุ่นของพวกเราพวกเราก็ต้อง วางลากวางฐานไว้วางทายญาตไว้ต่อไปภายภาคหน้าต่อไปพระลูกพระหลานที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีก็สอนแนะนําสั่งสอนลูกหลานต่อไปอีกวางไปอีกนี่แหละพราะพุทธศาสนาจึงจะยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะพระเนเนทุกองค์เนอะสถาญาติโยมทุกคนเนเอสรุปแล้วให้เป็นคนดี ทำดีพูดดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดี อ, อย่าทำทำก็ลงไปแล้วตนเองเดือดร้อนคนอื่นรดอดร้อนอมันไม่ดีหรอก เ, อเป็นบาปอกุศลกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าในเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ได้ทำเมื่อทําสิ่งที่มันไม่ดีลงไปแล้วกรรมชั่วมันให้ผลเข้าคุกเขเข้าตารางในขณะยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อตายไปแล้วก็น ะ, ะตกนรกหมกไฟเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนพิกลพิการเป็นคนออยากไรเป็นคนที่ไม่มีตระกูลเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้ในภพภูมิที่ได้เกิดมาในต่อไปภายภาคหน้า อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นทําไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างที่ว่านะ่ะเพราะว่าการกระทําของพวกเรานะไม่เหมือนกันถ้าเราทํากรรมดีเรารู้วเราเราู้แล้วเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะนึกอ้าวข้าพเจ้าจะทําดีเท่านั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพเจ้าจะไม่ทํา เ, เราจะประกอบแต่คุณงามความดีให้ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะ ในเมื่อเราทําประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆนะความดีเขาอาจะพอกผูนในจิตใจความดีหนึ่งก็ดี2องก็ดี3ามก็ดีมีอยู่แล้วความ ด, ดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเจกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรประกอบเนืองๆนะความดีความชั่วก็เช่นเดียวกันความชั่วหนึ่งก็ดี2องก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้น เหตุนั้นควรล ะ, ละเสียตั้งแต่เบื้องต้นสิ่งที่มันไม่ดีให้รีบละเสียตั้งแต่เบื้องต้นเพราะมันไม่ดีนะถ้าเราละตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะจากนั้นก็มีแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจนะการกล่าวสมโภชนิยกถานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรษะนาฏยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลาย ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองพระลูกพระหลานทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็ข อ, ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเทอญ